ชาติหน้านู้มาเอามาเอามาเก็บไว้กับบัตมาตายไปแล้วค่อยไปเอาเรีกันนี่ด้วยกั น, น, เ, กนเอาตายไปแล้วมันจะเจอกันเอาเจอไม่เจอค่อยว่ากันอีกทีแน่ก็พราคนเหล่านั้นนะั่นเอมันต้อ ง, ต, องต้องการแต่สิ่งนะปลูกฝังมาสิ่งเหล่นั้นไม่เคยปลูกฝังตัวสติตัวปัญญาตัวนี้เลยสวรรค์ น, นี้พานอยู่ตรงนี้อยู่ ใ, ใกล้ๆของเร า, นะนานเนี่ยคำโบราณาก็ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ นิพพานก็อยู่ที่ใจหายใจก็ได้ยินตัวเนี้ยสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนจากที่ใจของเราที่เอามาันไปจับอารมณ์ที่การปรุงแต่งของสังขันตัวนั้นมาเป็นอารมณ์จิตมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจของเรานี้ของเราท่านจึงบอกท่านจึงกล่าวท่านจึงเตือนอยู่นักจินะ ว, ว่าการทําความรู้สึกตัวตื่นตัวก็ตามจะเห็นเรื่องนิมิตเรื่องสีเรื่องแสงเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามนีม้ก็ตามเห็นแล้วถ้ามันเกิด ความ เ, เห็นแล้วทั้งหมดทุกข์ออกไปได้ก็จะดีแต่ถ้าเห็นแล้วยิ่งมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจของเรามันก็มีประโยชน์เห็น พ, พระพุทธเจา้จาจับชายกีบอนพระพุทธเจา้าก็ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นแต่เท่ากระทั่งที่เราทําความเพียรในขณะนี้ยืนเดินนั่งนอนเพียรพร้อมไปด้วยสติสัมปชัญญะเราเห็นไม่ภาพของพระพุทธเจา้าจะนั่งแต่และแต่ที่แต่ละที่จะเดินแต่ละก้าวก็มีดอกบัวมารองรับิตลอดนี่ตลอด ก็คือตัวสติเพียบพร้อมไปด้วยสติสัพพัญญามันทึงสง่างามมีตลอดนีจตลอดอากับกิริยาของท่านเดินแต่ละครั้งแต่ละขณะประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้พวกเรานั้นบางครั้งบางขณะเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาคิดแวบขึ้นมาวิ่งออกแก่ทางเดินจงกรมเดินช็อปชๆอปช็อปช็อช็อปช็อปช็อปไปนี่ไปหิวน้ำเดินช็อปช็อปช็อปชปช็อไปควน้ำมาดื่มป๊อปลงไปลงไป วางกัดกลับเดินขับขับขับกลับมาเดินสู่ทางเดินจงกรมช่วงที่เราเดินจงกรมนั้นรู้สึกว่ากําหนดดีแต่ช่วงที่เราออกจากทางการทางเดินจงกรมนั้นรู้สึกว่าเราเราทิ้งไปเหมือนกันกบกรรมาฐานเขานั่งทําสมาธินั่งทําสมาธิในขณะที่นั่งอยู่นั้นรู้สึกโอ้จิตใจนี่สงบดีนี่ดีแต่พอออกจากสมาธิเอาวางสมาธิส่วนนั้นเอาไว้อยู่กับที่ตรงนั่งตรงนั้ น, น, นเดินไปพอมีอารมณ์มากระทบปุ๊บเรารู้สึกว่างายหลังเลย ทีนี้เราพยายามที่จะปลูกฝังชีวิตของตัวสติสมัยยะเป็นให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราให้มันได้ที่ท่านบอกอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ใช่มามันเดินจงกลมทํความเพียรอยู่ห้าวันหกวันเจ็ดวันในขณะ น, นี้กลับไปบ้านก็ตายปีหนึ่งใครมากลับมาเพาะอีกทีหนึง่งไม่แน่มันกันเม็ดพันมันอาจจะรีบก็ได้อาจจะเพาะไม่ขึ้นก็ได้นี่ก็ได้หรืออาจจะขึ้นก็ดีแล้วเนาะ คงจะขึ้นอยู่หรอกเพราะว่าใกล้น้ําใกล้มีชุมช่มชืม้นนึกเกินที่วัดป่าเ ข, ข, ขาคงคาครูบาอาจารย์ก็มีความตั้งใจดีนี่ดีญาติโยมก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งอกตั้งใจของเราเอาไว้ให้ดีนี่ตั้งเป้าหมายของตนเองเอาไว้ให้ดีว่าเรามาที่นี่เรามาต้องการต้องการอะไรแในแต่พระสงฆ์องเจ้าของเราก็เหมือนกันบวชก็มาเพื่อศึกษาเอเพื่อทําอะไรบวชก็มาหรือบวชเพื่อเปลี่ยนชื่อ กลับไปเขาเรียกอาทิตย์ซะปวดเจ็บวันก็ห้าวันหกวันเจ็ดวันติดก็ไปเขาเรียกอาทิตย์อาทิตย์เปลี่ยนชื่อซะกลายเป็นคนดิบอทีมก่อนเป็นคนดิบกลายเป็นคนสุกซะสุกยังไงสุกเขิมเขิมสุกไม่สุกไม่หวาสุกไม่มันไม่ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นว่าเมื่อเรามาอยู่ในขณะนี้เราชกโฉกขาดส่วนนี้ให้มากที่สุดที่สุดพระพนะหน้าที่ส่วนอื่นนั้นนันเราวางมาหมดแล้ว เราลองมาตั้งใจกับส่วนภาระหน้าที่ส่วนนี้ลองดูนี่ลองดูไม่เปยั่วยอมก็เหมือนกันวางภาระหน้าที่ที่บ้านที่บ้านมาทั้งหมดที้ทั้งหมดต้องการที่อยากจะให้ทําทำส่วนนี้ลองดูไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสรรหาอะไรมากมายนี้มากมามาทำหน้าที่ส่วนนี้ส่วนเดียวลองดูความเป็นพระมันก็จะเกิดขึ้นมา เมื่อก่อนก็เหมือนกันผมเข้าใจว่าผมพอญาติยมเขาบวดให้ออกจากบวชเข้ามารู้สึกว่าบวชเข้ามาแล้วเออเราเป็นพระแล้วนะน้องสาวจะมาน้องใครจะมาใกล้พ่อแม่ปู่ย่าตายายใครจะมาใกล้หลีกทางพระหลีกทางพร ะ, ะเดี๋ยวพระจะไปแต่พอเขาเขาขัดใจหน่อยหนึ่งเอยพระก็ไม่อยู่แล้วแต่ไม่อยู่ด้วยแล้วกลายเป็นผีแล้วหน้าดําหน้าแดงเกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมาเออมันก็ไม่กลัวเหมือนกันผีอันนี้เราเป็นเป็นส่วนหนึ่ง พอชั้นบอกพระนี่ไม่ใช่มาอยู่ในรูปแบบส่วนนี้พระคือเราสามารถที่จะปล่อยวางชีวิตจิตใจของเราให้เป็นปกติได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบการสมมติที่สูงที่เขสมมุติให้นีให้ว่านี่คือเป็นพระนุ่งเหลืองหมเหลืองกอนผมนุ่งเหลืองหมเหลืองส่วนนี้เป็นพระแต่เราเป็นพระโดยสมบูรณ์แบบหรือยังบางครั้งมาคคณะก็เล่นแบบคารวดกันอยู่นี่กันอยู่ เอานิสัยคารวะมาใช้อยู่นี่อยู่ยังไม่ขอไม่ยังไม่ขัดเกลากล่อมเกลากันนี่กันเท่าที่ควรทีนี้ดีที่เรามาอยู่ในช่วงระยะนี้เป็นการกล่อมเป็นการขัดเก่าตนเองนี่ตนเองเพื่อจะได้เห็นความจริงของชีวิตของเราดูบ้าง เราทำไมทำแบบนี้รู้สึกว่าพุทศาสนาของเรานะั้นรู้สึกมันก็ยิ่งข่าวเท่าว่ า, ว า, วางๆที่มันเกิดขึ้นมาภายในวงการของาศาสนาของในช่วงนี้ยุคหลังนี้รู้สึกมันเป็นช่วงที่น่าแต่ก็ดีรู้สึกว่าญาติโยมก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นรู้จักแยกแยะออกให้ได้ว่าไอ้ไหนเป็นหลักของาศาสนาไหนเป็นตัวบุคคลเพราะเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าตัวเ ข, ขาเขา้าแยบวลเป็นพระรู้สึกว่าโอคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ข่าวเท่าว่างๆนี่เป็นอย่างนี้โอ้าศาสนาเราเสื่อมแล้วนี่แล้วเพระาะศาสนาเนี่ยนอยู่ใน หลักการวิธีการปฏิบัติไม่อยู่กับคนนั้นคนนี้อที่อยู่กับคนนั้นคนนี้คือเราฝากหัวใจหัวจิตหัวใจของเราไปไว้กับคนอื่นพอฝากหัวใจของเราไว้กับคนอื่นพอเขาย้ำหัวใจเราเสือทำไมถึงทำกับฉันได้เสือมันมั น, ม, นมันช้ำใจเพราะฉะนั้นหัวใจของเราก็แค่อยู่ที่คุที่การกับทำของเราในตัวของเรานี่เองจะไปฝากไว้อื่นที่อื่นที่อื่น พยายามปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นต้นตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอมีความมีความมีสัมมีสัมปัชฌญยามีสติมีสัมปัชฌายาอยู่ตลอดมีตลอดอาเรมณ์ต่างๆความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆนี้ต่างๆเรารู้เท่ารู้ทันรู้จักการจัดแก้กับมันนี่กับมันแก้ทุกขณะที่มันเกิดขึ้นมาปล่อยทุกขณะที่มันยึดติดเอาไว้เนี่ยไว้พยายามฉลมเอาสติสัมปัชฌายาของเราฉลอมเอาไว้เนี่ยไว้ เหมือนกับเรายาทายากันยุงเหมือนกันนะมายุงมาเกาะแล้วก็พทายากันยุงเอาไว้ไม่ให้มันเกาะริงมันเกาะพยายามทาฉลอมยาไว้เนียวไว้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกว่าเรารู้สักบำบัดรู้จักรักษาให้ดีที่สุดที่สุดแต่สภาพชีวิตจิตใจนั้นรู้สึกเมื่อไหร่เราจะทําให้มันดีมีเครื่องมีเกาะป้องกันยิ่งสังคมปัจจุบันนี้ยิ่งโลคปัจจุบันนี้รู้สึกป็นมันเป็นอีกโรคโรกหนึ่งเครับว่าโรคภูมิคุ้มกันบกท้อง เนี้ชีวิตของเราในนี้ไกลกล า, กลากเป็นชีวิตที่กลายเป็นชีวิตที่เป็นขอไผ่เนาะเป็นชีวิตที่เป็นเอิดกันหลอดเลยพอยให้ความทุกข์ย่ํายีนั่นแหละคือเป็นชีวิตที่เป็นโรคที่มันย่ํายีชีวิตใจของเราตลอดนี่ตลอดชาวพุทธเรามันรู้สึกมันแย่ย่าแย่อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเรามาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองนี่ใชบ้างนี่ใชบ้า ง, างไอ้ที่เขาเป็นเอิดอยู่ขางภายนอกนั้นก็มันก็ก็ดีแล้วละ่ะมันจะได้รู้จักโลกใช่ไหมน้อง ทีนีโลกเกี่ยวกับจิตใจประจาําใจของเราในขณะนี้นะเป็นทุกข์ในขณะ น, นี้เราไม่รีบแก้ปัญหาหรอความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรานี่ยเราไม่ต้องจะไปรอให้ใครมาแก้ให้ถ้าเราไม่แก้ก็เราข้อเราเองต้างคิดดูให้ดีนี่ให้ดีไม่ใช่ไปอ้อนวอ น, นพระพุทธเจา้าหรืพระพุทธเจ้าจะมาช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของพวกเราได้นีนได้ไม่ใช่ ใครพูดไม่ถูกใจหน่อยนี่หน่อยรู้สึกว่าโอ้โหที่ริงคำว่าพูดเอ่อถูกไม่พูดไม่ถูกใจนะั้นทุกไม่ใช่แล้วเนาะมันต่ำใจเลยเหมือนเขาก้อนหินมาทุบใจ ถ้าแต่ระถ้าไม่ถูกใจรู้สึกมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่นี่มันถูกมันชนเสี่ยวยกโอ้โหสบักสะบอมจิตใจโย้โอยหน้าทีวุ่นุ่กระบวดโมโหเกิดขึ้นมานีขึ้นมาแสดงแล้วมันเหมือนกับเรายิงนกตกปลาเหมือนกันน่ะยิงถูกแล้สึกมันถึงจะตายอันนี้เขาก็ยิงถูกเหมือนกันป๊อกเขาใส่เลยสึกว่าโอ้ยเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ใช้มันถูกทางถูกที่ถูกทางบ้างตาดีๆก็อย่าไปแสหาเรื่องหาเรื่องหาลาวมาให้ตนเองชิด หูที่มันดีๆก็อย่าไปฟังแต่เสียงคนอื่นที่กนน็นินทาของเรามาเป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์ของเรานี้ของเราปล่อยให้ท่านเขาทาหน้าที่เข้าไปตาก็มีสองข้างหูก็มีสองข้างจมูกก็มีสองรูเอาทั้งดีเอาทั้ ง, งชั่วแล้วามาประกอบเราเราเลือกเรืองจะรู้จกักเลือกคัดจัดสรรลองดูไอ้ส่วนไหนที่เป็นประโยชน์กับตัวของเราส่วนไหนที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวของเราก็ปล่อยออกไปเนี่ยไปเป็นประโยชน์ก็พยายามที่จะทํากับชีวิตของเราให้มากขึ้น อันนี้อะไรอไรทั้งหมดก็เอามาทั้งหมดทกุก็เอามาสุ ข, ขก็เอามารวมกันมากมีกันมากแต่ก็มีอยู่ดีอยู่ว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้เพราะเป็นความเป็นปกติสุขขอชีวิตแต่ถ้าคนเราอยู่ในความทุกข์ตลอดนี่ตลอดมีแต่ความเร่าร้อ น, นาทางหน้าจิตใจตลอดนี่ตลอ ด, ลอดก็อยู่กันไม่ได้ขนาดนี้ดังนั้นญาติโยมที่มาอยู่ร่วมกันนี้ร่วมกันวัดตามพยายามที่จะใส่ใจส่วนนี้ให้มากขึ้นเวลาเดินจง ก, กลงช่วงกลางวันมานาันอาจจะง่วงบ้างนี้บ้าง อาจจะเดินปล่อยอารมณ์ออกไปมองให้ไกลๆอย่าไปมองใกล้กับมันมากเกินไปมอ grasp, ปล่อยให้จิตใจบางครั้งมา ข, ขนาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยคายอาอกไปเนี้ยไปจะไปจ้องไปเพ่งกับมันมากเกินไปนี้เกินไ ป, นไปบางคนอาจจะปวดหัวบ้างข้ามแข่งกับมันไม่ให้ปล่อยไม่อยากให้ความคิดพยายามจะดึงความคิดออกมาเนี้ยออมาไม่ไม่อยากให้มันไปท่านบอกไม่ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันคิดยิ่งไปคุกไปทพเาะกับมันมันยิ่งคิดดี ปล่อยมันซะบ้างนียซะบ้างทำเหมือนกับยังไ ม, ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ไปใส่ใจมาสนใจกับความรู้สึกตัวในขณะเนี้ยที่เราเคลื่อนไหวในขณะเนี้ยกระพริบตาหายใจอ้าปากส่วนเนี้ยพยายามที่จะให้ความรู้สึกตัวในขณะ น, นี้มันแวบออกไปก็ช่างมันกลับมาใหม่เอาตัวเคลื่อนไหวนี่เป็นตัวฐานเอาตัวเคลื่อนไหวตัวเป็นตัวฐานพอมันแวบออกไปอากลับมาใหม่แวบออกไปกลับมาใหม่ จนมันเกิดความชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะมาอยู่ในกับความรู้สึกตัวของเราเมื่อก่อนมันอาจจะปล่อยพอคิดพอ น, นั่งสะอ่างจังหวะไปรู้สึกมันพอครั้งแรกสองครั้งรู้สึกว่าจับความรู้สึกดีนี่ดีสี่ห้าครั้งลงไปมันเริ่มเบลอแล้วแต่ น, นี้จับความรู้สึกไม่ค่อยชัดแล้วปล่อยให้มันไปพอรู้สึกตัวกลับกลับมาใหม่กระตุกให้มันแรงถ้ามันคอนชิด ม, มากๆกระตุกมันที่หลวงพ่เทียนท่านบอกว่าถ้ามันคิดมากๆเอา ไอ้บางทีมันสับมนาผากก็มันก็จะดุจหยงอาจจะเดินจนกลมให้วไยลงให้หนัาให้หนักบ้างนี้บ้างอย่าเพิ่งไปจนกับมันมันมีทางออกของมันอยู่เหมือนกับคนที่มันจนพอความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วร้อนภายในจิตใจรู้สึกมหาทางออกไม่ได้นี้ไม่ได้กินยาตายฆ่าตัวตายทำร้ายตนเองนี้ตนเองมันไม่ใช่ที่มันมีทางออกเยอะแยะเลยเออมันทุกข์มันนอนไม่หลับ ก็ไม่ต้องไปกังวลกังวายกับมันหลับไม่หลับคอช่างฉันจะทําความเปลี่ยนของชั่นอย่าไปสร้างเรื่องนะจ๊ะมันมันปวดหัวฉันที่จมันเป็นการสร้างให้ตนเองเพิ่มเพิ่มพลังหน้าที่เพิ่มพลังให้ตนเองมากขึ้นนี้มากขึ้นแทนที่มันจะปวดก็ปล่อยให้มันปวดลักษณะไปซะมันไม่หลับก็ปล่อยลักษณะไม่ต้องไปคิดเรื่องหาเรื่องหาราที่จะไม่ทํายังไงมันจะให้มันหลับนี่มันหลับไม่อย่าไปกับอารมณ์ตัวนั้มาอยู่กับความรู้สึกตัวหลับไม่หลับคอยช่าง กลางคืนนี้คนทุกคนเนี่ยเป็นเป็นช่วง เ, เ, เ, เ, เวลาที่พักผ่อนให้มากช่วงปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันกับหลวงพ่อเทียนเหมือนกันเวลากลางคืนในสองทุ่มสองทุ่มสิบหกสามทุ่นี้นอนนะตื่นขึ้นมานั่นแหละทีสามตีสองตีสามเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมานี่ขึ้นมาเวลาตื่นนั้นคนหลายคนอยู่ในในที่นี้ก็เหมือนกันนี้เหมือนกันพยายามเปลี่ยนให้เงียบที่สุด ไม่ใช่เมื่อพอตื่นขึ้นมานะเฮ้ยลุกลุกลุกลุกสวยสาระสาระเสยีสยละครั้งแล้วก็ช่างเขาเปันเลยอยู่กับหลวงพ่อเทียนนั้นรู้สึกว่าเป็นส่วนนี้อุปปัฏฐใจส่วนหนึ่งว่าพอท่านตื่นนั้นท่านจะทําทตัวให้เงียบที่สุดนี้ที่สุดแม้แต่ข้างเสร็จขาดน้ําลายข้าอะไรต่างๆท่านจะไม่ทํานไม่ทาให้เสียงดังเคารพ ในสิทธิของคนอื่นบางทีบางครั้งมาขนาดคนอื่นเขาอื่นแล้วอาจ จ, อาจจะนั่งอาจจะนั่งอาจจะนอนดูลมหายใจกําหนดลมหายใจอยู่นี่อยู่ก็ได้นี่ก็ได้แต่ถ้าเราไปกวนนั่นสิจะเป็นส่วนที่ทําให้เราให้คนอื่นพลอยเสียอารมณ์ไปด้วยนี่ไปด้วยแต่ถ้ากดต่างคนต่างลุกต่างคนต่างไปสร้างความเงียบสร้างความสงบสุขมันก็เกิดขึ้นมาในความในตัวของเราเองไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วตอนนั้นเพราะความสุบสุขมันเกิดขึ้นภายในตัวของเราเองนี่เองเมื่อตัวของเราเองไม่มีความสบุบมันก็วุ่นวายไปนหมด ดังนั้นญาติโยมที่มาอยู่ร่วมกันในขณะนี้อาว น, นี้ก็เป็นวันที่สองข้อ ง, งามก็พยายามก็ตามกํากลังเขาคนแจ่แล้วก็ได้เห็นใจอายุมากแล้วจะไปคุมให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ไหวนี่ไม่ไหวก็ไปตามตามตามตามธรรมะของคนเท่าคนแจ่แล้วเนาะจะเชี่ยวเขียนเหมือนกับคนหนุ่มคนนั่นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ค่อยๆไป ไม่เห็นพวกนี้มะรืนนี้ก็จะเห็นอย่าเห็นตนเองได้อยังยายเห็นตนเองหรือยังเพราะฉะนั้นก็พยายามให้ทุกคนเห็นตนเองนะเนาะไม่ต้องมาเห็นหลวงพ่อครูบาอาจารย์หรอกทุกคนทุกคนเห็นตนเองพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้เรานี่เราถ้าไม่ให้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราแล้วก็ให้แต่ผี ความทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นญาติโยมที่มาอยู่ร่วมประพึติปฏิบัติธรรมพิสูจส์ซ้ำเน้นเราก็ดีนี้ก็ดีพระใหม่ก็ตามพระเก่าก็ตามให้มีความสำนึกในหน้าที่ของตนเองอยู่ตลอดนี่ตลอดว่าเรามีหน้าที่อย่างไรบ้างอย่างไรที่จะตระพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนในช่วงระยะเวลา5วัน6วัน7วันนี้เราพยายามที่จะขวนขวายไอ้ส่วนนี้ให้มากขึ้นลองดูนี้ลองดูโอกาสที่เราสมมติเราพูดที่จะบวชช่วงระยะสั้น โอกาสที่เราจะมานั่งยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดลขึ้นไปกับพิบตาอาจจะอาปากส่วนนี้รู้สึกกับความมีสติสมมัมปชัญญะกับครูบาอาจารย์กับเพื่อนญานติโยนในขณะ น, นี้รู้สึกมันก็ยากพอสมควรหลายคนสังเกตุในเมืองโกล่านเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนี้ที่สุดเลยคอนบุรีของเรานี้ของเรานี้ก็ไม่ไม่แน่อาจจะไม่ไม่ใช่เฉพาะคนคอนบุรีก็ได้ในขณะ น, นี้อาจจะมาจากที่อื่นบ้างนี้บ้างก็อาจจะมีเยอะ แล้วคนอื่นเขาไปทําอะไรอยู่คนอื่นเขาไปทําอะไรเขาถึงไม่มาสนใจส่วนนี้โลกสังคมส่วนภายนอกนั้นรู้สึกว่าเขาเขามอมเมากันมากเล็กเกินเล็กเกินเป็นพลังเป็นมีพลังดูดให้มากที่สุดนี่ที่สุดไอ้ที่เราดูดเข้ามาได้แค่แค่นี้รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันแล้วก็ดีมากอยู่แล้วอยู่แล้ว หลักของศาสนาพยายามที่จะหือส่วนนี้เอามาให้คนทุกคนเข้าใจเปิดเผยส่วนนี้ให้พวกเราเข้าใจให้ญาติพยมเข้าใจส่วนนี้ให้มากขึ้นมันถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่เปิดเผยส่วนนี้เข้ามาให้เราเห็นทุกคนให้เราเห็นได้นี่ได้รู้สึกมันก็ยากพอสมควรแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็ทวนกระแสของสังคมทวนกระแสของโรคส่วนกระแสของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ตัวของเราเอง บางคนอาจจะนั่งอยู่ที่นี่ว่าเออพรุ่งนี้จะไปหรือเปล่าเนาะอยู่หรือเปล่าไหวหรือเปล่ามันชวน้นั่งนอนก็ซึ่งก็ฟังรู้สึกมันก็โอ้ยรู้สึกมันเป็นเม็ดเป็ น, ป น, ปนผืน่นนอนก็ไม่ค่อยสบายนี่สบายบางทีบางนี่น ก, ก็รู้สึกกับปวกมันก็มากวนอยู่ตลอดนี่ตลอดพวกมดพวกแมงพวกอะไรต่างๆรู้มันกวนคิดถึงที่นอนอนิ่มนิมๆอยู่ที่บ้านเอ้ยพรุ่งนี้ขอลาอาจารย์กลับบ้านดีกว่าใะละมมั้งกลับไปเลยไม่ต้องลา อยากกลับก็กลับไปเลยเนาะเพราะฉะ น, นั้นก็ข อ, ขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลของญาติคองโยมที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติทงเพื่อเป็นการจำลองาศาสนาของเราให้ลูกให้หลานเป็นการที่ว่าทำดีไว้เผื่อลูกทำถูกให้เผื่่หลาน ให้ลูกให้หลานเราเดินตามรอยของเราไปต่อไปตลอดไปถึงว่าชีวิตของชีวิตส่วนนี้ของเรามีความอยู่ในขณะ น, นี้ลูกหลานเราเห็นในขณะ น, นี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกกับหลานในที่บ้านที่เรือนของเรานี้ของเราเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพ่อแม่ที่มีแต่ความสงบสุขให้ลูกใหหลานเขาเห็นมันก็เกิดประโยชน์ถึงว่าจะพูดไม่ได้นี่ไม่ได้ก็เป็นสิ่งเป็นการปฏิบัติให้เขาได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสเหมือนกับพระอชาจจะชื่อกระเพาะสาลีบุตรนั่นแหละ พูดไม่ได้นี่ไม่ได้พูดยังพูดนิดเดียวนิดหน่อยเองนี่เองก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นี่ได้เพราะฉะนั้นว่าการเผยแผ่ศาสนานั้นไม่ใช่ว่าจะเพาะพูดอย่างเดียวนี่อย่างเดียวการกระทําด้วยพูดร้อยคําพันคําสู้การกระทําขั้นเดียวไม่ได้นี่ไม่ได้พูดป๋าอันนี้ก็พูดป๋าแล้วแต่ฟังกฟังเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ฟังพูดให้ฟังท่านบอกให้ขึ้นมาพูดให้ฟังก็พูดไปอย่างนั้นน่ะจริงไม่จริงก็ลองไปปฏิบัติกันเอาเองพูดให้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะ ฟ, ฟังไปทําไมอ่ะปีทุกปีทุกปีทุกปีก็พูดสู่ฟังกันฟ้างทุกปีมันกับหลวงพ่อเทียนท่านว่าทําบุญก็ทํามาตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเรื่องการทําบุญแต่ท่านไปทําอะไรก็มันอิ่มแล้วมันถึงจะงหยุดได้นี่ได้ทีนี้พวกเราก็ยังไม่อิ่มพอนี่พอก็อบางคนก็อาจจะมีเก่าบ้างใหม่บ้างก็ธรรมาดา ก็ขออนุโมทนาส่วนนี้ของญาติคังโยมก็ตั้งอกตั้งใจให้ดีนี้ให้ดีมาใกล้มาไกลก็ตามนี้ก็ตามก็ขอให้ความเจริญงอก ง, งามในความสะอาดสบายสงบของจิตใจของเราทุกคนให้พบให้เห็นตัวสติตัวสมาธิตัวความรู้สึกตัวในขณะนี้เห็นกันทุกคนในขณะนี้ไม่ต้องไปเอาชาัดหน้าไม่ต้องไปเอาที่ไหนเอาเอาในวัดป่าเ ข, ขาคงคา this แหละกันทุกทุกคน เขปพอจบเพียงแค่นี้